50 languages. 20 Ippatu. การสนทนาหนึ่ง l o c a r u t i Undu. ทำตัวตามสบายค่ะ Arama madikuli. ทำตัวเหมือนอยู่บ้านคุณเองนะคะ นิ่มมะมันเยลลี่อีรุวาห์เกอารามวากริคุณอยากดื่มอะไรคะนี่วูเยนุกุดิเลูอิสต์ปัดตีริคุณชอบดนตรีไหมคะนิมาเกสังกีตายันดเรอิสวดิฉันชอบดนตรีคลาสสิกค่ะนันเกศสตรีะสังกีตรอิส นี่คือซีดีของดิฉันค่ะอิลลีนันนาะซีดีเกลิเวคุณเล่นเครื่องดนตรีได้ไหมคะนี่วูยาวดาดโรวาตเดวันโนนดิสุดตีระนี่คือกีตาร์ของดิฉันค่ะอิดูนันนะกีตาร์คุณชอบร้องเพลงไหมคะ นิม agine หาดโลยิชตเวคุณมีลูกไหมคะนิม agine มักคดโลยิดารคุณมีสุนัขไหมคะคมนิมมะมันเยลลี่นายอิดเคุณมีแมวไหมคะนิมมะมันเยลลี่เบกุอิดเอนี่คือหนังสือของดิฉัน นีวูนันนุ่สตกกดิฉันกำลังอ่านหนังสือเล่มนี้นานสัยดลี่อีพุสตกวันโนวดุติดเดนคุณชอบอ่านอะไรคะนวูยนัวดลูอิสปดุตีรคุณชอบไปดูคอนเสิร์ตไหมคะ นิววูสังเกตกาเชิดริกเก้ฮโกรัลลูอิสดุตตีรคุณชอบไปดูละครไหมคะนิววูนักตากาชาเลเก้ฮโลลูอิสดุตคุณชอบไปดูโอเปร่าไหมคะนิววูสังเกตพระธาราหนักตากาเกลิกเก้ฮโกรัลลูอดุรรุณาไปที่